เรื่องสุญญาตาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยรวมเลยมาตีห้าหลังจากที่เราได้เจริญสมาธิภาวนามู่รวมกันมาตั้งแต่ตีสองเหมือนกับทุกๆวันเช่นเดียวกับทุกๆวันวันนี้ถึงตีห้า เวลาร่วงมาได้สองสามชั่วโมงที่เราได้ตื่นมาในยามประชิมยามเป็นเวลาที่เราจะได้ฟังทำมิตถาถ้อยคำที่ควรพูดควรฟังกันให้เกิดประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นวันนี้จะพูดในเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดกันนะหาตั้งใจฟังแม้ไม่อยากจะฟัง มันเป็นความเป็นความตายของสาปนาพูดถึงอนาคตอนาคต ต, ตระสตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยความเป็นความตายของสาสนะความเสื่อมของพระทรงฆ์องค์เจ้าปีปีหนึ่งเปิดวิทยุฟังทายาทในภาคอีสานของเรานี่ ก็ไม่มีใครพูดย้อนหลังไปเป็นร้อยปีก็ไม่มีใครพูดใครสอนกันเห็นได้อาจารย์พุทธทาสท่านพูดอยู่คนเดียวจนตายคือเรื่องความว่างวันนี้พูดเรื่องความว่างอย่า ก, กลัวว่ามันจะโงงเวนว่างเปล่านะ เขาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้ว่าในอนาคตการเดีย๋ยวนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ในอนาคตจะเกิดขึ้นพระสูตรอันใดอันเป็นคาสั่งสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เนื้อโลก ประกอบไปด้วยความว่างถ้ามีบุคคลนำมากล่าวมาชี้แจงจกไม่มีคนสนใจไฝ่ฟังด้วยดีเพราะบุคคลเหล่านั้นไม่ได้รับการอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญา บวคคลเหล่านั้นพิจโซสามเณรเหล่านั้นไม่อบรมกายอบรมศินอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อมีผู้ใดพูดเรื่องความว่างอันเป็นเรื่องลึกซึ้งเรื่องละเอียดอ่อนลงเนื้อโลกเนื้อกิเลสตัณหาจะไม่มีใครสนใจฟังฟังไม่ถูกมันไม่มีเชื่อให้ฟังผมเห็นว่าพวกเราเนี่ มันได้รับการอบรมในพรรษาหรือน อ, อกพรรษาเราก็อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาควรจะฟังเรื่องนี้รู้เรื่องแล้วทางง่วงล้างหน้าไมา่โยกขึ้นถ้ายังไม่สนใจจะฟังเรื่องนี้เลยแสดงว่าขบวนการฝึกของเราไม่ถึงขั้นที่จะรองรับในเรื่องนี้ ในเรื่องนี้พระพุทธญาท่านพูดไปสี่ตอนตอนแรกตอนแรกพูดเฉพาะภิกษุพูดอยู่ในป่าตอนที่สองพูดเฉพาะตัวบุคคลไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่บ้านตอนที่สามพูดถึงเรื่องจะต้องมีอย่างนี้แน่นอนในอนาคต พูดถึงเรื่องสังคมของพระสงฆ์จะไม่อบรมกายไม่พัฒนากายที่เราพูดเราพัฒนานอกพัฒนาใ น, น, านาครบรอบครอบคุมอบรมกายอบรมศีลมันเป็นการพัฒนานอกอบรมจิตอบรมปัญญาเป็นพัฒนาภายในตออประสานกันภาษาบาลีว่าพาวิตากาย ภาวิตสินภาวิตจิตภาวิตปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกเราพูดเรื่องนี้พวกท่านอาจจะลืมแล้วพวกฝรั่งก็นำไปเขียนเป็น Quality of Education อยู่ใน Encyclopedia เอาไปเขียนแล้วแสดงว่าฝรั่งตาถึงกว่า พวกเรายังซืือในใ น, ในวงการภาค颂องค์เจาายัางไม่เคยรู้เรื่องในเรื่องนี้ขอไปเขียนเนอบรมกายพวกเร า, เาว่าพระวิจายพัฒนากายฝรั่ ง, งเขาก็ออกไว้ฟิสกันกรู <im itation> เป็นนว่าครั้งแรกสองตอนแรกท่านจะพูดถึงเฉ <im itation> พาะพิกษุผู้อยู่ป่ากับพูดถึง ภาวะของทุกๆคนไม่ว่อาอยู่ป่าอยู่บ้านนีตอนที่สองตอนที่สามพูดถึงสังคมทั่วไปค่ะการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาจะพูดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องขั้นสุดท้ายท่านที่สี่สังคมในอนาคตของพระสงฆ์ทั่วไปที่สถานะจะอยู่ไม่ได้ พิสุในทําวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่พัฒนากายไม่พัฒนาสินไม่พัฒนาจิตไม่พัฒนาปัญญาจะพากันยินดีเจตแต่จีวนนำงา ม, งามจะพากันไปแออัดยัดเยียดอยู่ในบ้านในเมืองในคา ม, มนิคมจะละทิ้งเสนาสนะป่าอันสงัดลกชัดป่าช้าเงื่องผาธรรมจะไม่ยินดีเสพ เสน่ห์าสนาป่าอันสงัดไปแย่งกันอยู่ในบ้านในเมืองในคามมนิคมในราชธานีเพื่อจะได้นุ่งดีเพื่อจะได้กินดีๆเพื่อจะได้อยู่ที่หลับที่นอนดีๆเพื่อจะได้มีย า, ารักษาโลมีเครื่องอํานวยสุขมัณฑ์อะไรดีๆจิตใจก็ทิ้งทำ มื่อนั้นก็จะพากันแสวงหาสิ่งที่ไม่ชอบทำเหมือนกับชาวบ้านว่ากิตจังกิเจยะถาขิหีภาษาบาลีนะอย่าถือว่าเป็นคำหยาบขิหีียังแปลว่าชาวบ้านยะถาเหมือนกับชาวบ้านกิตจังกิเจยะถาขิหี จะ ก, กระทากิจการงานน้อยใหญ่มื่นชาวบ้านชาวบ้านทําอะไรก็ทําชาวบ้านลงทุนสร้างคอโนโดมิเนียมก็ทาคือชาวบ้านนั่นแหละเราจึงได้ยินว่าพระทําอะไรแต่อะไรมื่นชาวบ้านหมดแล้วเกิดลักษณะพุทธพาณิชย์ขึ้นมาอพุทธพาณิชย์หาเงินหาทองไ ด, ด้ดีกว่าชาวบ้านเอง น, น, นั่นนั่ น, น, น, นันไปเร็ว โดยก่อนที่สุดทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ป่ามีภัยห้าประการเมื่อภิกษุอยู่ป่ามีความคิดว่าเราอยู่ป่าคนเดียวแมงป่องอาจจะกัดเราตะขาบจะกัดเรางูพิษจะกัดเราเราอาจจะตายเสียในป่านี้นิ่ั่นพูดพูดใไ้กับสมัยพุทธกาลเพราะพระอยู่ป่า แล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นในวันนี้ภัยอันนั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทาความเพียนอย่าสมมติว่าเราอยู่ในกุฏิของเรากระท่อมน้อยๆมอปายของเราในป่านี่ฟ้าก็ไม่มีดีๆงูเห่างูฮิตเลื้อยขึ้นไปนอนนําเหตุอย่างไรถ้าว่างูอาจจะกัดเราตายในยามราตรีค่ํำคืนมันจืนมันแฉะมันก็ขึ้นไปนอน เจ้าของก็ลับไปถึงเวลาพิธชเคียงกับผดีเลยจุดตายให้มาว่า ง, งูอาจจะ ก, กัดเราตายแมงต่องตาขาบสัตรมีพิษแต่วันนี้มันยังไม่กัดเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นเราจะรีบกระทาความเพียรให้เห็นแจ้งทำได้ยังไม่เห็นแจ้งให้บรรลุธรรมแต่ยังไม่บรรลุเข้าดึดั่งดำได้ยังไม่เข้าถึงนี่เธอไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยว เทอะประโยชน์ได้สองภิกษุผู้อยู่ป่ามีความรู้สึกขึ้นว่าเราอยู่ป่าคนเดียวการข้ามกลางคืนเราเดินไปอาจจะพลาดหกลม้มหมอกพื้นตายยิ่งฝนตกแล้วมันเป็นเป็นเมือกเป็นไข่ผู้เท่าผู้แก่กันได้ บ, า, บดานเนี่ยบริวารเดหนุนมเนี่ยโดยเฉพาะผู้เท่านั่นแหละปักในกันเทาไปย่องก็แยงมะยมมุสอ เปิดทีเดียวตอลังกาทวนหล่อมตึงในทวนขึ้นไปจังใดเป็นอมมาพออัมาผาดอมมาผึกล้มทีเดียวไม่ลุกเลยนอนยาวเสร็จให้รีบกรทําความเพียรเสียก่อนที่มันจะเป็นอย่างนั้นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีสัตวร้ายพวกเสือพวกอะไรต่างๆนั้นพูดสมัยพุทธ ก, กาลจะมากัดเรา รีบทำความเพียรก่อนที่ยังไม่ถึงนั่นวันนี้เราอยู่ในป่าอาจจะมีมนุษย์คนชั่วคนร้ายทำบาปกรรมชั่วในที่รับอาจจะมาเห็นเรามาอาศัยเราอาจจะมาเบียดเบียนเราเห็นว่าเรามีอะไรต่ออะไรในนี้เพราะนั้นพระท่านยังไม่ให้สะสมไม่ให้มีมันมีทองในส ม, มัยโบราณมันไม่มีธนาคารธนาคารกิเลสก็ไม่ได้สะสม ทั้งอันตรายกว่าเจะให้รีบทำความเพียรในป่าย่อมมีอมนุษย์ดุร้ายพูดผีตศีสารยักษ์นีู่่ได้เห้ามาองจากเขามาันแบบเป็นโตกสิ่งใดที่คนเข้าไปบูชาเน่ะเขาเรียกว่ายักษ์อย่างในภูเขาในเทวนถ้ำ จะเป็นผีเป็นอะไรก็ตามที่คนไปเส้นไปไว่าไปบูชาเจ้ออจจจาพ่อเจ้าแม่เจ้ารุ่งเจ้าทธาเจ้าป่าเจ้าเขาทั้งหมดนั้นภาษาบาลีรวมเรียกสิ่งเหล่านั้นว่ายักษะชะ ต, ะตะาตรพะลิงกโรตีติยักษขากรโรตีติยักขโสิ่งใดบุคคลใดที่คนทั้งหลายต้องไปบูชาไปกราบไหว เส้นสูงบวงบุญสิ่งหนึ่งคือยักษ์ยกชะติตระพาลิงโรติติยักโคแถ้เนี่ก็ยักษ์พระนี่ก็ยักษ์พอคนนั่มาตามมาไหวแต่ไม่ใช่วหายด้วยความกลัวไหวด้วยความเคารพไหวด้วยคุณธรรมก็เป็นยักษ์ประเภทหนึ่งยักษ์ดียักบ์ปกินหัวงูหรอกยักษ์สมเนี่แต่อีกที่มันเขากลัวเน่ย เทวดาชาติชั่วมีเพราะเทวดาคือปุถุชนบางทีคนไปกราบไปไหว้ไปเส้นสวงวงบนคนชั่วๆมันถูกใจมันมันช่วยเสียลอกประจบประแจงคนสัวมันได้ก็ตามแต่ชั่วแค่ไหนก็ตามไปประจบประแจงแล้วก็ไปช่วยช่วยให้ได้ดังใจละคนเขาก็ถูกใจเขาก็มาเส้นสวงวงบนต่อไป เทวดาชั่วช่วยคนชั่วป ร, ประจบประแจงเหมือนเจ้านายคอรับชั้นเพราะเทวดาเหล่านั้นกับมนุษย์ก็มีกิเลสเท่ากันไม่ได้วิเศษอะไรเพราะเอานั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนมนุษย์เนี่ยให้พัฒนาตนเองเนอวอเทวดาวิชาจรณะสัมบันโนสุเสโฮเท ว, วมนุษยซามนุษย์ผู้มีวิชามีความรูด้ดีมีจรณนะการประพฤติ ก็เพื่อเสว่าเทวดาไม่ต้องไปไหว้หัวมันเลยให้มันมาไหวเราแต่ในนี้มันอ่อนแอไม่มีคนทําันไหวตลอดเห็นต้นไม้ไหวต้นไม้เห็นผู้เขาเห็นอะไรไหวเพรานั้นทวันในป่านี้มีอมนุษย์คู่ไม่ใช่มนุษย์ผูดที่ปีศาจยา่านายักคอนทันอาจจะทําร้ายทําอันตรายเรา ทำนะพระสงองเราปันก็ทำตัวที่มันหยากคายคุณทำพระไม่ถึงไม่พอมันทำได้มันทำได้แต่ถ้าคุณทำเราสงสมก็ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ท่านก็ห้ามพวกเราอีกเลยไม่ให้ไปทำลายมันเอาปับอาบัติเองด้วยนะพวกที่ทำลายผีให้มันตายพวกอยากพวกอะไรมันมีนะสิ่งที่ตามไม่เห็น แต่ถ้าผู้ใดทาใี่ทําสมาธิอบรมจิตทิ่ตัวอยู่ใหญ่ที่มีแสงแสงยังจะของตาเหลือ่อมยังได้รับไลยนะพอเห็ดเห็นแสงจ้าได้าพวกหนึ่งมันบ่งบอกนอนน อ, อกสุ่ ม, มนั่นซ้ำยังนอนเนี่ยเพ่งไปข้างนอกเพ่งคืนมาตั้งไหน ม, มันเจอจ้าจนตายิง่ะจนมืนตาขึ้นมานันบอระลุสุ่ ม, มนะแต่ถ้าอบรมจิตแบบนั้น มันผีกลัวผีย่านมันมีเรเลเดียนเลเดียนมันมีแสงสว่างในตัวเพ่งว่าไปจวดทุ่นเจือกผีมันย่านมันอย่งมันบอกมาใกลหรอกอันสุ่มมั่วนี่อันซุมนั่งรับตุ้นมิตีว่ากันประเทศพอดีเนี่ยได้การฝันยังเลยเราไปเบียดเบียงเขาเขาก็เบียดียงเราถ้ามีกิเลสมือนกันแต่เราก็ไม่เบียดเบียง ถ้าเรามีแสงอยู่ชนิดนั้นมันมาทางนี้เราก็เอาไปถึงเพ่งแลมันบ้าเปว่าไปทางนี้มันก็หนีมันกลัวถ้าแพ่งไปหามันมันก็ตายถ้าเราเบียดเบียนเขาเขาก็เบียดเบยนเราเห็นเปลาอาจารย์เกย์มากเมือนนั้นมันตบหูหนวกไปขังหนึ่งมันไปเอากระมันก่อนมันก็ยากแต่มันย่องมาทางขังมันเดิรกเอาบาดเดียวมันก็เลนีมันก็โบเกงมันก็เก่งเือมันก็คือคนมีกิเลส ย่องมาดังข้างตอบคํามักสักทีหนึ่งก็วิ่งหนีผีวายบายเคนอยู่ทาจันทั้งนั้นพวกเราไม่ประมาทอยู่ในป่าภัยห้าประการหนึ่งงูอาจจะกัดขัดร้ายอาจจะกัดอันที่สองอันที่สามอาจจะพลาดหกล้มตายอันที่สี่อาจจะมีคนชั่ว หากินในที่รับมาเบียดเบียนเราอันที่ห้าอาจจะมีพวกอมนุษย์มองเห็นภัยเหล่านี้รีบกะทำความเพียนต่อมามองสู่ภาวะ ท, ว ท, วทั่วไปไม่ว่าในป่าในบ้านเดี๋ยวนี้เรายังหนุ่มแน่นร่างกายยังแข็งแรงธาตุทั้งสี่ยังประชุมกันดียังทำงานดีขับรีก็ะเปรีบทำความเพียรต่อเมื่อแก่ชราแล้ว ยา่ากที่จะทำความเพียรเนื่องนี่สู่ผู้ถอกกระบาดตีละครั้งเมื่อเมื่อขุดซุ้มมุลนั้นทักที่เทียมากอดจะได้ขั้นขี้โค้งมาจนจะได้คานสักไม้เท้ามามาก่อนเราเอีกเมื่อแดงแห้งซุมโก้ยมาฝนตีสามหมวกเดินตีสองตีสามครึ่งต้องโก้มันจะสู่ผูดถอกกระบาดเลยั้งว่าวันนี้เรายังหนุ่มแน่น ธาตุทั้งสี่ยังทำงานดียังเผาอาหารย่อยดีจงรีบไปทำความเพียรเพราะเวลาแก่เท่าแล้วเราจะได้อยู่สบายจิตใจยามแก่ยามเท่าเมื่อผ่านพ้นอัสดงคดลงแห่งกิเลสปัญหาก็จะสบายเห็นบอกพระพุท่ า, ภ า, ภาป็นพระพุทธที่ผ่านการอบรมตนมาแต่น้อย ท่านอยูมท่นสบายบารมีก็เกิดขึ้นเองความดีมันก็ดูดความดีมาหางกันเหมือนน้าใหญ่ดูดเอาแม่น้ําน้อยไหลคอยไปหามันครูบาอาจารย์ที่ท่านแก่ท่านเฒ่าเจ็บไข้ได้ป่วยคนเปลุ่มไปช่วยไปรักษาพยาบาลถ้าเข้ามสิตายง่ามเงาเ อ, อิบไอ้คนซอยคน ก, บ, บ, าจา ก, กบจะจักซอยมันมีมีแต่ก็จะเหยียบสง่งทำไปเมาเหล้างา่งามน่ามอยู่ข้างถนน ความดีมันก็โดดความดีพระพุทธเจ้าว่าเมื่อแก่เท่าจะได้อยู่สบายในวิหารธรรมนั่นตอนหนุ่มๆ น, นี่ทําเถอะเท่าแล้วแก่แล้วจะมาทําความเพียรมันลําบากลุกอย่างนั่นอยากตากรอแก่หูก่อแก่อะไรมันก็แก่ไปหมดต่อมาวันนี้ดูเย็นเป็นสุขไม่เกิดอาภาษณ์ใดๆรีบทําความเพียรถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะได้ ดูความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารด้วยจิตที่เตรียมไว้แล้วอย่างสบายๆไม่กระวนกระวายตายแซบแบตายอย่างอร็ษอร่อยตายพร้อมกับการปล่อยวางชีวิตตะสมะสีสีดับทั้งชีวิตดับทั้งกิเลสไปด้วยกันนี่เราไม่ประมาทอย่างนี้ถ้านใหเราดูอย่างนี้ดูปายาอย่าไม่เก็บไข้ได้ป่ว ย, ยรียบทำความเพียร อาวันนี้ฝนฟ้าตกต้องตามบันดูการชาวนาได้ไถได้ว่า น, ปนเป็นนงเขียวขจีเ้วยข้าวน้ารีบทำความเพียรจะมีอีกสมัยอื่นจะแห้งแรงอดอยากขาดแคลนใครจะมาสนับสนุนดีได้ฝาห้องตึงๆไปใส่เห็นตบเขาเขียวๆวรีบทำความเพียรไปเมืองเด็กขอนแกน่นก่อนเมืองผลบ้านไัยร้อยเอ็ดเชย้จะจะพมบิน รมพันในกินกินอยู่นะี่ไผ่ใช่ไหมจังหันวันซสอนในห้องกินหลายฝันเนี่ยมาอยู่กันเป็นร้อยเหนีย่ยวเยมันจะได้หาบริการไปหาขายเสืออาหารกินต่อไปมันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ในนี้ผมว่ามันดีมากสมัยผมมาอยู่แรกๆอดอย่างนะได้เปลี่ยนกำหนอดอาหารนะได้จะปลากระกป๋องนะถึงจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนมากินปลากระกป๋อง พวกที่เป็นเจ้าเวไนยมาบอกว่าไม่อร่อยโบแซบเด้อขก็ บ, บอกไปอดสักวันสักสีห้าวันมึงกินใหม่ถ้าปากระป๋องไม่อร่อยแซบทอดกระดาษเจียหอ่อปากกระป๋องบนบานมันจะได้เลียบวัดแย่โลากกระป๋องในนี่มันเหลือเฟืออาหารเมื่อมันเหลือเฟือแล้วก็จะประมาท ร, รีดทําความเพียร มานเมืองสมัครสมานสามัคคีไม่เกิดการก่อการเจลาจนวุ่นวายแม่กำเลิบเสพสารในบ้านในป่ารีบทำความเพียรถ้าเขารบลาข้าฟันกันโกลมคำโกลมคำทำความเพียรไม่ได้ต่อมาพระสงฆ์สมัครสมานสามัคคีกันรีบทำความเพียรเพราะถ้าสงฆ์ไม่สามัคคีกันนี่ทำความเพียรไม่ได้นะมานั่งเล่นงูในเขาวาฬเรื่อ เอ๋ ه, บางเมืองก็ไม่สงบพระสงฆ์ก็แตกกันเป็นกบเป็นเหล่าหาแตเรื่องอยุแยงตะแบงแทงให้รั่วหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นท่านจึงแวดล้อมอย่างดีในการฝึกฝนจิตถ้าศีลไม่ดีก็หาความสงบไม่ได้เหมือนกันนั่งไปเพะจิตจะสงบมันก็ไปคบแต่ความไม่ดีเราเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ได้มีพระองค์หนึ่งท่านมาบวชที่นี่ ทมความเพียรก็เก่งอดอาหารถึงสิบแปดวันแต่ไม่พบความสงบเลยไม่พบความสงบเลยทำปฏิบัติครูบาอาจารย์ดีมากเพราะเคยอยู่กับสั ม, มอยัางนั้นมาเสร็จแล้วนั่งสมาธิสิบแปดวันก็อดมาแล้อาหารเพระเพลก็ไปนั่งกุมขมับพร้องให้เนี่ยสะตรงนี้ดีย๋ยวก่อนมันยังไม่มีน้ำ มันมีชื่อร้องให้มานั่งเอามือกุมนมาบริมสะร้องให้ไม่กถือขันไระขอลาศิกผ์หอมวเทศให้ฟังปฏิบัติหมมะจันด้วยน้ําตานะอ ส, สุมุโคโรทันติหอมมจริยังจรติตคุณมตรงประพือหมมะจันด้วยน้ําตาให้มันบริบูรณ์มันร้องให้จ้าหัวมันเด็กแก่มือกําลังใจฮึดคัดมาร้องให้ห่อห่อขันผมไม่สึกเลยครับอาจารย์ ัำได้คุณกรูสิคุมรีบรนีงกลับไปในกำลังใจเสร็จแล้วสี่วันห้าวันเจ็ดวันมาอีกร้องไห้มาเองก็มาขอศึกขเขาเล่าให้ฟังว่าพี่สุนในธรรมวินัยนี้เธอออกบท ด, ด้วยศรัทธาแม้จะถูกกิเลสบีกคขันจนร้องไห้น้ำตาไหลหน่องหน้า เธอไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์รุ้ยน้ำตาให้พรหมจรรย์ น, นี้บริบูรณ์ด้วยสินสมาธิปัญญาสุดท้ายวันหนึ่งแกก็มาเอกว่าศิลไม่บริบูรณ์เพราะแต่ก่อนเคยบวชอยู่สำนักที่ใหญ่มากดังมากพวกคือมาในพวกคุณรู้ทั้งทีผมสมวังทาทีไหมใครก็ใครเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยไปกาปบเาไว้ั้งนั้นแต่ใครจะไปคิดว่าตรงนั้นมันจะเละเทแกก็มาเล่าผมฟังผมก็ไม่ได้ทำกับเรื่องเศษม่ทุนนละกับมารุคามนี่แหละเกือบหมดทั้งพัด แ, และวกกรสึกมาจากนู่นมันเสียไปหมดเสียกับเพื่อนครั้งแหลกกันหนึ่งตัวมาตัวสองสามสี่ห้าตามกันเสร็จแล้ว แต่จะมาหาผู้หญิงพ่อแม่บอกมาหาผู้หญิงที่ชอบแล้วแต่งงานชอบใครแเอาพอจะแต่งให้มาแล้วก็ไมได้ยินเสียงเทพ ธ, ธรรมะบญญรรยายทมวิธีชีวิตนักบวชอะไรต่ออะไรกับพี่น้องแกเคยบวชมาแล้วเนียนอนฟังทั้งคืนดันสว่างกึ๊กแล้วก็บอกพี่น้องว่าผมไม่แต่งงานหรอกไม่หาใครดังนั้นเพาผมไปฝากทีผมจะบวช มาเป็นหน้ากันนี่ตั้งหลายเดือนเนะพอบัวกก็ตั้งใจทําความเพียรแต่เสรล้วก็ไปไม่รอดเพราะสิ้นเลวสามตั้งแต่ก่อนคือผู้ใดได้ต้องอบัตปาราชิกแล้วเนี่ยเอาผู้ได้าจว่าเหมือนหินที่แตกออกมาต่อกันไม่ติดไม่เหมือนต่าแล้วเอาปูนซีเมนมาจับมันก็ไม่เหมือนหินเก่าเหมือนคนหัวขาดจะเอาหัวมาต่ออีกมันก็ไม่ฟืน้น เหมือนใบไม้ที่ขาดออกจากกันแล้วร่วงจะคั้วเอามาต่อเอกก็ไม่ติดไม่ฟืดเหมือนตานยอดด้วนไม่มีวันจะงอกงามแกมาทําอย่างนี้เหมือนเก่าขอไปจิตจะไปสงบไปถึงนึงก็ไปเห็นอันนั้นก็สะท้อนออกมาอย่างเก่าสุดท้ายผมก็บอกแกลึสึกออกไปไม่ต้องลาอะไรยังนี้ไม่ต้องลาสึกเลยอืมเล่าให้ฟังเรื่องสิ่นี้สําคัญมาก เมื่อปีก่อนปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งผมนั่งหลับผมนั่งี่เวลาผ ม, มให้มันหลับผมก็ปล่อยให้มันหลับได้ไม่ใช่ว่าผมจะหลับไม่เป็นนะผมเหนื่อยๆเ ม, มื่อผม้านอนเนี่ยมันจะหลับยาวผมก็นั่งหลับเนาะนั่งหลับมันก็ฝันเป็นผมฝันประหลาดฝันเห็นพระเนี่ยเ็จไม่สุนกํานางสุนัก สี่องค์เดินไสามองค์อีกองที่สี่นี่เข้าไปแล้วก็ไม่ออกถอยออกมาแป๊เดียวของฝันหนึ่งนละ้ผมก็ตื่นเงนังพอาสายมาวันนั้นมีพระมาสามองค์มาส่งองค์หนึ่งขอฝากและอีกสององค์กลับว่าอยากปฏิบัติธรรมมาจากทางนูน้นทางภาคกลาง แยากปฏิบัติธรรมผมก็บอกว่าคุณอยู่ภาคกลางที่นี่นะกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าตามมีตามเกิดอาหารของเราจัดตามใจไม่ได้นะคุณต้องอดต้องทนคุณจะอยู่ได้ไหมที่นี่ถ้าอยู่ที่นี่ไม่ได้คุณก็ไปที่อื่นที่มือนสะดวกที่นี่ต้องตื่นเช้าตีสองนะชันข้าวสายตื่นเช้าฉันสายทําความเพียรข้าผมจะสู้ผมตั้งใจแล้วผมไม่เคยปฏิบัติธรรมตั้งประวัมาผมอยากปฏิบัติแค่ว่ายอย่างนี้ ไปไปไปกูไปพูดมาเองือดูหน้าดูตาไปเขาเงือกขับขาขับขาน <c> ี <oughs> <c oughs> อเมื่อคืนฝันเห็นคนเนี้ยผมฝันคิวดิแต่ผมฝันเก็เลยถามว่าคุณอย่ากโกหกผมนะผมจะถามตรงๆคุณเคยต้องอับชั่วยยาบมาไหมอย่ากโกหกผมนะบอกผมแล้วคุณจะสบายใจถ้าคุณโกหกผมคุณโทุบไปอีกหลายเท่า <c oughs> ผมทาอย่างนี้แกนั่งอึ้งน้ำตาไหลเริ่มไหลลงมาแก้มนี่สองข้งางล้าแก็ลร้องไห้ก็เล่าให้ฟัง <c oughs> คือเสพใทุนกำลังสุนัรเออผมฝันเห็นผมก็เลยบอกสึกเลยวันนี้เราปฏิบัติธรรมว่าจับสึกยิ่งสึกเรยเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะบาปน่อยแ่ก็สึก ซึกก็เป็นพ่อขาวช่วยงานอยู่นี่ตรง น, นั้นไม่มีเงินเก๊ของวะให้นุ่งเขาอะนะซึ้กจนผมยาวอันนี้เราให้ฟังเรื่องศีลพระพุทธเจ้าหัวเด็ดตีนขาดอาทิพมจันย์รักษาอันข้ออื่นเล็กๆน้อยต้องมาแล้วไม่อาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมซ่อมได้เหมึงกับคนเป็นไข้ไม่ตายรักษาได้ยูแต่อันนี้มันตายมันไม่ฟื้นเลย อันนี้เราไปฟังเพราะนั้นพวกเราเนี่ยอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญามันประสานกันสี่อันสองอันภายนอกสองอันภายในทีนี้ก็มาถึงภยัยดูก่อนพี่สุทนางหลายภัยในอนาคตการนูน่นจกเกิดมีแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มี แกะมีในอนาคตกาศสองอันที่พูดมานั้นสองตอนที่พูดมาตั้งแต่เรื่องพระอยู่ในปา่าพูดถึงเรื่องสัตว์ ร, ร้ายปูดถึง ง, ง, งูทังคนชั่วทั้งมนุษย์จะเบียดเบียนให้รีบทาความเพี่ยนถ้าไม่ได้หมายถึงใครของซาตนานะในอนาคตแต่หมายถึงภัยส่วนตัวของผู้อยู่ปา่าต่อมาก็ภัยของชีวิตของทั้งอยู่ปา่าทั้งอยู่บ้านวันนี้อยู่เย็นเป็นสุขยังไม่เจ็บไข้ วันนี้ยังเป็นหนุ่มเป็นแน่นยังไม่แก่เข้าวันนี้ฝนฟ้ฟา ย, ยังตกต้องตามและดูการชาวนาได้ไถได้วานเขาจะได้มาสนับสนุนต่อมาเขาอดอยากลำบากเขาก็ขาดแคลนแล้วก็ไม่มีใครสนับสนุนวันนี้เมื่อฟ้าร้องมหาเมฆคำรามฝนตกลงมาให้รีบไปทำความเพียรท่านปลูกเราดีมากเลย วันใดบ้านเมืองยังสงบรังน้ำมเมฆทะเลเบาแหว่งกันพระสงสามัคคีกันบ้านเมืองไม่กําลังโสดสามในบ้านในปา่ารีบทําความเพียรถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมือนเมืองขมิลรบกันโคมขามความความจะเป็นนางสมาธิอยู่ใส่จอกมือเดียบึ้มลงมาตายหันมันก็เยอะเพาะคุ้มปีเวีวยเว็งๆดอกไฟวาที่นี้มาถึงภายในอนาคต อยู่นี้ยังไม่มีคำว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งท่านพูดตั้งแต่ท่านยังมีพระชนม์อยู่ในอนาคตภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่อบรมกายไม่อบรมศินไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อตนเองไม่อบรมกายเมื่ออบรมศินไม่อบรมจิตเมื่ออบรมปัญญาบวนานมาก็แก่เป็นรัตันูร่วมการผ่านไปเขาอ้าเป็นอุปชา เป็นอุปชาอุปชาไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ให้บวชคุณระบุในอุปชาของพวกคุณระบวชพวกคุณมาแทนไม่ได้พาพวกคุณอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเรียกว่าอุปชาเป็ดเป็ดไข่แล้วก็ถิมเลยคนบราณนึกว่าเป็ดเป็นผู้ไข่ไก่เป็นผู้ฟักขี่กระดักกระเดินเป็นผู้เลือยงเลี้ยงบุญสิใดแก่ไผ ผมก็เป็นไก่ดื้อบาดเนี่ยซุ่มมืนะเป็นไข่ออกมาแล้วอุปชาพันมานุโซซีถามไปแล้วอานโนซีถามไปหันขันบ่งจักพันก็บอกอามะพันเตเมะพะวะนัตถิพันเตเมะพะวะจ้าทบุหงอยงบุหงห้องก็บุหงพันก็บบุหงก็ให้ไดบอก ดีที่ตัวไว้เป็นสิวบอกภาษาบาลีครับอุริโซซีคุณเป็นผู้ชายเหรอไม่เป็นกระเทยแน่นะความหมายไม่ได้แปลกันโดซีผมเป็นเป็นกระเทยบอกว่าทางนี้ยังหัวจังยังนักทีพันเตแม่อะไรปะนักทีบอว่าไม่มีพันเตผู้จะเทนไม่มีไม่มีผมกได้เป็นกระเทยร้องเขาโมโหเก็บอกเอา ควมแปลความหมายประเจ้าเนี้ยต่อไปนี่อาจจะไม่พูดภาษาบาลีเลยต่อไปก็มีเงินใส่ซองมาไหมนี่จะให้เจ้าบทได้ต่อไปอุปชาอย่างนี้พูดให้เจ้าว่าว่ากถากถาว่าอุปชาเป็ดเป็ดมันไข่แล้วมันก็ไม่เหลือฟักมันทิ้งให้จะไปต้มอีนึงเลก็ไปมวนเป็นนาเต็มไขเต็มมวนนานเข้ากแก่เขาให้เป็นอุปชาจ้างเป็นก็ได้คู่มือนีไย อยากเป็นแทะ้ๆะะอุปชามันแด้งกันสิบพัรษาก็ไปสมัครสอบเป็นอุปชาตาบล น, นี้ยังไม่มีอุปชาแต่นี้ก็ลังวิ่งเต้นกันเยอะเละทีนี้เมื่อเป็นอุปชาแล้วองที่ไม่เป็นอุปชาอย่างผมเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็นผู้ให้นิสัยนิสัยคือให้พวกที่บวชแล้วเนี่ยจากอุปชาอืน่นก็ไปหาอยู่กับอาจารย์ อาจารย์นั้นเรียกว่าผู้ให้นิสัยผู้ให้เราพึ่งพาอาศัยอาจารย์ผู้ฝึกมารยาทความเป็นโยงเมื่อเธอบวชนานเป็นรัตัญโยร่วงการผ่านไยก็ให้นิสัยแก่กุลบุตรที่บวชใหม่ให้มาอาศัยเมื่อตอนเองไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญา ก็ไม่รู้จักจะอบรมกุลบุตรที่มาขออาศัยอยู่กุลบุตรเหล่านั้นก็ไม่ได้อบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อเขาไม่ได้อบรมกายอบรมสินอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อนั้นพระวินัยก็ละเรือนวินัยก็ไม่รู้เมื่อวินัยเละเรือนพระธรรมก็ละเรือนธรรมมากก็ไม่รู้เขาไม่ได้สั่งเลยสอนกันอะไร ไม่ได้พาไปก็เลอะเลืเอนไปเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมัน่นเป็นไปเพื่ออันตรทานแห่งาศาสนาแห่งธรรมวินัยหนึ่สองแล้วนะอุปชาไม่รู้เรื่องแล้วอุปชาเขาไปไอบรมเดี๋ยวเขอธิบายทีหลังว่าอบรมกายอย่างไรอบรมสินอย่างไรอบรมจิตอย่างไรอบรมปัญญาอย่างไรเราพูดกันมาแล้วละ่ะต่อมาข้อที่สามข้อนี้สําคัญหนะักกวาไปอีก ฟังให้ดีนะตัวนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงมันสว่างนกกระบ อ, อกมันรองมาถ้าไม่จบพูดต่อกันใหม่เมื่อกุณละบุตรเข้ามาบวชอุปชาทั้งหลายก็ดีอาจารย์ผู้ให้นิสัยทั้งหลายก็ดีไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญากุณละบุตรทั้งหลายเข้ามาบวชก็ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาต่อมาเมื่อ พระสูตรอันใดอันเป็นคาสั่งสอนของพระศาสดาเป็นหลักธรรมอันลึกซึ้งเยเตสุ ต, ตันตาสูตรเหล่าใดตถาคะตภะาสิตาเป็นพาสิตเป็นคำสอนของเราตถาคตคำพีราคำพีราลึกซึ้งมาก คำพีรัถามีอัดมีความหมายลึกซึ้งละเอียดอ่อนโลกุตลาเป็นเรื่องเหนือนโลกเป็นเรื่องเหนือกิเลสสุญญตาปฏิสันุตาประกอบไดความว่างแต่ในในในใ น, ในพระไตรปิฎกฉบับหลวง ประกอบไปด้วยสุนัขตาของกษัตรนัทเอาไปอีกปัดนี่ยจ้าก็ยังสุนัขตาอยในอินเดอรเสือบอแปร์ห้เอาสัแต่พวกไม่รู้บาลีมาเลยก็ไปอ่านไปเลยก็ซูบูอยู่คือเขามันยังหน่อประกอบไปด้วยสุนัขตาก็เห็นแต่สุนัขตาเกลงกะเวียคนกําลังเป็นเรื่องเป็นลาวฟ้องกันอย่างนั้นยันตร์ตรคนมันหนึ่งหมดในสุนัขตาสุนยังแปลว่าว่าง ต่ไปบอกความสุญยตาปฏิสังยุตตาประกอบไปได้วยความว่างคำสอนชั้นสูงที่ละเอียดประกอบไปได้วยความว่างถ้ามีบุคคลใดเอามาแสดงมาชี้แจงดูเขาจะไม่สนใจฟังไม่มีจะโซดลงฟังไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องที่น่าฟังน่าทําความเข้าใจ เมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนแห่งคําเลอะเลือนแห่งวิถีไหนเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมัน่นไม่อันตรธานอ่เป็นไปเพื่อความตั้งมัน่นไม่ตั้งมัน่นเป็นไปเพื่ออันตรธานแห่งศาสนาผมเกิดมาเนี่ไม่มีใครสอนในรุ่มในน้ำคงนี่ไม่พูดถึงเรื่องสุนยตานี่แหละแต่พูดทุกวัน จะท้าปั จ, จยังปาวัตามาหนังท่าตูมาตาไม่เวทังเต้น ม, มาซิลอนได้เลยใียงหน่อยเป็นเน้นหน่อยมัม่งมวลอิสโตนิชิโบซุนโยนั่นซุนโยนั่นว่างว่างว่างคู่ตัวนั้นไม่มีใครเอามาพูดสอนกันเลยคำสอนคำว่าว่างนี่สุนเตานี่หายไปแต่เขาไปต่อไนอยู่ น, นู่นรู้สึกกะไปตีกันหนักหน่วงสอนกันอยู่ทางตอนเหนือ นิกายมหายานนิกายสเสถนนิกายสเสถนต่นว่าเวลานิกายสเสนนี่ไม่ใช่มหายานเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นฮีนยานเป็นเทระวาสอยงเราแต่เข้าไปอยู่ในพวกมหายานในเมืองจีนในญี่ปุ่นฝึกกันให้เข้าถึงความว่างความว่างนะจนนึกนะว่ายี่สิบสามสิบปีดวชมาในเพ่งหาแต่ความว่างให้เห็นความว่าง เมื่อเห็นความว่างแล้วก็ให้เข้าถึงความว่างต้องเห็นีสักวันเดียคือเข้าเลื้ยเห็นผนสักวันนึงมันไปหอดเอิ่นว่าสุญญตานสมณะสมานุปสติสุญญาตา ม, นะมนุปสัสญญา ต, าสสติเห็นซึ่งความว่างละเอียดนะครับละเอียดมากๆเลยถ้าเห็นอันนี้การปฏิบัติธรรมรู้สึก ง, ง่าย ไม่หนักหน่วงไม่ไม่ระบากใจเห็นทุกอย่างให้มันว่างแต่ความว่างไม่จะไปเห็นภายนอกมันเห็นด้ยภายในเพราะของภายนอกมัจะเข้ามาภายในเรืนี้ละเอียดต้องอธิบายกันหนักๆนัมากทีน้เมื่อเห็นความว่างนี้เกาะก้าวที่ถึงความว่างสุญญาตาภวกันติภาวติก้าวลงสู่ความว่างยังสู่ความว่าง ครั้งแรกน่ให้เห็นสักก่อนในเมืองจีนเนี่เขาสอนกันอย่างนั้นในญี่ปุ่นเราสอนกันอย่างนั้นแต่ก่อนเนะในยุคประมาณสักพอศหนึ่งพันพันกว่ากว่า น, นี้เรื่องความว่างในช่วงมาทั้งน้นเดี๋ยวนี้ก็หายไปแล้วเดี๋ยวนี้หายไปแล้วมหายาณมีแต่บูชาลาบสักการณนาโมไต้สือไต้แป้กันในบัดนี้คนออกบนอิมอธิฐานเอาลาบเมื่อคือกันบัด เพิ่มความว่าอาจารย์ฮาโกอกทำตัวอย่างให้เห็นดีมากเอามาเปรียบเทียบกับครณีอาจารย์จันตราได้ฮาโกอกนั่นหนูคนเข้าถึงความว่างสุนจัตาแท้ว่ามันสุนจัตาเฉยๆแบบที่เราได้ยินสุนจตาสุนจตาอาจารย์ฮาโกอิกนี่ท่านปฏิบัติทำมาเท้เห็นความว่างเข้าถึงความว่าง สุญญาตาสมุปสติสุญญาตาภาวกันติโหติก้าวลงสู่ความว่างเห็นความว่างก้าวลงสู่ความว่างหลังจากนั้นก็สุญญาตาวิหารังเป็นอยู่ด้วยความว่างความยึดมั่นถือมั่นในสัญญาทั้งหลายหมดคําว่างไม่ใช่ไม่มีมีทุกอย่างแต่ว่างจากสัญญาว่าเป็นอัตตาตนิยาเลย วันหนึ่งเขามาด่าทันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยอาจารย์ฮาโกอินเขามาด่ามดทั้งบ้านในเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งตั้งท้องขึ้นมาแบบเดียวกับเรื่องอาจารย์ยันตะเนี่ยตั้งท้องขึ้นมาพอแม่ก็ด่าถามวิถัยวิท้องมากับใครทีนี้หญิงสาวนี่ตั้งท้องกับ ชายหนุ่มหน้าบ้านพ่อค้าปลาเหมือนกันแย่งกันขายปลาพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันเป็นไม่เบื่อไม่เมองแต่ลูกสาวกับลูกชายแอบรักกันก็เลยได้เสียกันตั้งท้องตั้งขันขึ้นมาพ่อแม่ก็รีดถามในที่สุดท้ายจะบอกว่าท้องกับชายคนเนี้พ่อแม่จะช้ำหนักก็ไปเอกเพราะว่าเป็นศัตรูกันครอบครัวที่เป็นศัตรูกัน แต่พ่อแม่เคารพอาจารย์หากอิหรือบางทีเรียกงเฮกูอินหากอุอิก็เลยโวยไปนุ่นเพื่อให้พ่อแม่ได้ลดความโกรธลงเพราะาหนูท้องกับท่านอาจารย์หากอุอิมึงขับวบบาทนี่โกก็สุดโกรธแต่เป็นอาจารย์สุดที่ลักเคารพบูชาเรื่องก็ดังกระชนไปทั้งหมู่บ้าน ทั้งคำมนันคมชาวบ้านพากันมัดชี้หน้าด่าเลยแหมหลอกลวงโลกให้กามให้ไหวดูสิทำไมทำอย่างนี้ได้ตาท่านจไม่มีที่จะด่าท่านนั่งเฮ้ยพอด่าจบแล้วท่านก็พูดได้คำเดียวว่าอย่างนั้นหรือจังสันบ อ, อกนีเป็นภาษาลาวาว่าเป็นจังสันบอก สามคําว่าอย่างนั้นหรือจังเสมอาสาาภาษาลาวภาษาฝรั่งก็แปลว่าอิดด so ัตโซเอาไว้สักคำก็ได้เขียนเป็นภาษาเตรียมภาษาเก็บด้วือ so ิดด so ัตโซอิดดัตโซแปลว่าอย่างนั้นหรืออย่างนั้นหรือเขาด่าเหนื่อยเขาก็กลับไปวันหลังใครโผล่ขึ้นมาก็มาด่าด่าจบขึ้นมาอิดด so ัตโซอย่างนั้นหรือ ่อมาผู้หญิงคนนี้ท้องใหญ่ใหญ่ให่อดคอดได้บาปเนี่ยคอดแล้วก็เลี้ยงมาหน่อยสองสามเดือนพอมันรอดตายพ่อกับแม่แล้วชาวบ้านนี่พากันไปด่าแล้วลูกนี่ยให้แกกินกับปากยากับท้องน้องรับผิชอบต้องเลี้ยดูท่านเห็นด้ยวยความว่างนะท่านไม่ได้ยึดมันหรือมันว่างก็ไม่ได้ทำไม่ได้เกี่ยวกันเลยท่านก็บอกว่า อย่างนั้นหรืออิดเดตโตเอารูปมาไว้นี้ทา่านจะเลี้ยงของท่านตั้งแต่ต้นไม้ในป่ายังเอามาปลูกสัตว์ในป่ายังเอามาเลี้ยงลูกคนแท้ๆจะปล่อยให้ตายได้อย่างไรเอามาทิ้งทาง่านจะเลี้ยงเออชาวบ้านบางคนเขาไปยังไนพอลูกอ่อนลำบากไหมเลี้ยงลูกเออเหมือนกันเปรี้ยงนพะ่อกับลูกเนี่ยบางคนเอาไปทาก็บอกว่าอิดเดตโอย่างนั้นหรือ ไม่ได้เปฟ้องถ้าเป็นทุกวันนี่เป็นอย่างไรสุนจาตาทุกวันฟ้องมู่นฟ้องนี่วุ่นวายไปหมดเลยนะ่าฟ้องเลยด่าไปเลดกี่แต็ดโศกอย่างนั้นหรือเด็กนี่เลียงมาอายุหกเจ็ดปีทีนี้มีคนเข้าถึงธรรมระดับโสดาบันที่ศรัทธามไม่หวั่นไหวแล้วถ้าโสดาบันไม่หวั่นไหวนะให้ทานเป็น แสนเป็นล้านถ้าหากยังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาระปัญญาอย่างมั่นคงพระพุทธเจ้าว่าสถาน น, นุ่งนุ่งวางไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาตะวันออกปิวไปตะวันตกลมมาตะวันตกปิวไปตะวันออกศรัทธาพุทุชนไม่แน่นอนแม้เขาจะให้ทานเขาจะให้อะไรมากๆก็ตามแต่ถ้าเขายังไม่เข้าถึงศรัทธาสินจาระปัญญาเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ ทีนี่บุคคลสองสามคนเนี่ยใส่บาตท่านไป บ, บินฑบาตใส่บาตรชาวบ้านไม่ใส่รอกี่ที่เขาดา่าคําตองของท่านก็คืออ so ิดัตโซอย่างนั้นหรือสองสามคนนี่ก็มาสบาตว่าท่านอาจารย์แม้ท่านอาจารย์จะไปตกนรกกลุมไหนก็ตามจะผิดจะพลาดอย่างไรพวกผมก็ยังเคารพนับถืออย่างน้อยได้ฟังธรรมจากท่านอาจารย์ผมได้เห็นธรรมจากท่านอาจารย์ ถ้าท่านอาจารย์เป็นคนตาบอดก็เป็นตาบอดที่ถือตะเกียงส่องให้คนตาดีอย่างพวกผมเห็นคือผู้ที่สอนคนอื่นให้คนอื่นเข้าใจเมือผู้สอนยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่ํำสอนนั้นถูกต้องพระพุทธเจ้าท่านว่าอันโททีปัตหาโรตาบอดถือตะเกียงอย่างในความมืดตาบอดงมเร้มมางมเศ้ามั่งถือตะเกียงมันบอกเห็นหงนุดหตาบอด แต่ว่าห้องตาดีเห็นโห้คุณเดือไฟคุณทุน่นเมื่อไ่อ๋อเราก็ไปหาแล้วก็ไปอาศัยไฟจากตาบอดถ้าสมมุติว่าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ผมสอนหลักธรรมให้แก่ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายพอเพื่อปฏิบัติไปได้เบื่อนหน่ายจางหายนิโรธาปฏินิสขาขึ้นมาก็แสดงว่าท่านทั้งหลายตาดีมองเห็นอะไรเจาอะไรผมก็คือตาบอดถือตะเกียให้คนตาดีได้ประโยชน์ สามคนบอกว่าท่านอาจารย์สั่งสอนพวกผมได้เข้าใจาท่านอาจารย์เสมือนคนตาบอดแต่ก็ตาบอดถือตะเกียงพวกผมได้แสงสว่างจากตะเกียงของคนตาบอดอย่างท่านอาจารย์แต่อย่างไรก็ตามทั้งโลกเขาจะลืมพวกผมก็ยังศรัทธาอย่างมั่นคงไม่ลืมหรอกครับถ้าใส่บาตรให้ท่านอย่างนี้ท่านจะได้ลําบากไกลเลยพวกผมจะเลี้ยงดุท่านว่าอย่างไรท่านไม่ได้ประจบประเจงอีก ท่านกะบอกว่าอ so ิดเด็ตโซจังสันบอกคเกาเต่าคืออย่างนั้นหรือนี่คือลักษณะผู้้ผูเข้าถึงความว่างการประจบประแจงละปะนาอะไรมันก็ไม่มียกย่องมาท่านกะบอกอ so ิดเดโซอย่างนั้นหือด่า ม, มาก็ยังอ so ิดเดโซเขาไปอีกทีนี้เด็กคนนี้เจ็ดปีวิ่งได้แล้วเรียกข้อพ่อข้อแล้วใสสบายสบายนางคนนั้นสมมติผิดมานาน ช้มหนุ่ก็ไปแต่งงานใหม่แล้ววันดีคืนดีก็ไปกราบพ่อแม่ร้องห่มร้องไห้เสือกสะอื่ น, นพ่อขาแม่ขาเราเป็นบาปมานานโลงพ่อเนะี่ยท่านอาจารย์ท่านไม่ได้มีอะไรเลยนู่นพ่อของเด็กมันแต่งงานใหม่แล้วถ้านหนูจะบอกสมัยนั้นตอนนั้นพ่อแม่คงจะโกรธหนักไปเอาลูกเรมาเถอะพ่อบาปหนักเลยท่านไม่ได้เกี่ยวเลย โอ้ยตรงนี้ทั้งพอ่อทั้งแม่นี่ร้องไห้อยกมมโอ้ไปหมดเลบาปตายแล้วกูไปตกนรกหลุมไหนประกาศบอกชาวบ้านชาวบ้านถ้ากันเลยขอสมาธิถ้าก็พูดคำเดียว่าอย่างนั้นหรือมอิทธิศกอย่างนั้นหรือจังสันโบจังสันตีแต่ เ, เป็นภาษาลาวมาในก็ขอลูกขึ้นได้ ขอไปเลี่ยงเราเรลี้ยงให้งไงหรือตั้งเจ็ดปีจะไปเลี้ยงเองท่านก็บอกว่าติดแดกโซอย่างนั้นเหรอเอาออกไปไม่มีเรียนมีไัยกันนะว่างอีความว่างมีอยู่ใกล้ๆ้มีอยู่ตลอดทาความเพียรถ้าให้เห็นความว่างมันสบายไม่ได้ต่อสู้เลยพอเขาเป็นึงความว่าง จีร็กก็เหนョลด้วยาหันไม่สู้กันทวีตัวเมื่อวันฟกล่มมุอแห้งกอตายสิสิซึ่งละเอียดด้วย เ, เรเาคงเต้เขาขาัขา้กัน ว, วันมันวันสว่างมาแล้วท่านบอกว่าเยเตสดตันตาตถาคตะพาสิตาคัมพีราคัมพีรัฐาโลกุตราสัญญาต ป, ปฏิสัญตา พระสูเราใดเป็นคำต่างสอนของเราตถาคตเป็นเรื่องลึกซึ้งมีความหมายอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งเป็นเรื่องที่อยู่เหนือโลกเหนือโลกกระทำนินทนาสรรเสริญสุขทุกข์รักชังเหนือโลกก็คือเหนือโลกกระทำจนถึงอิแดโซกนะให้บอกว่า ถ้ามีผู้ใดมาสอนก็จะไม่มีคนสนใจฝ่ฝฟังในอนาคตแต่พระสูตรอันใดเยเตสุตันตาสาวิกภาเสตตาสาวกภาเสตตาสูตรอันใดคำสั่งสอนใหม่ของสาบกพระฮิราเป็นเรื่องนอกแนวอัครามวิจิตราเป็นคำสอนที่วิจิตเป็นคำพูดติดภยัยละ คำเป็นบ้านเขากับคนสิทธนั่นอย่างหางามๆากับบาล น, นี้คือดูวูาท่นต้องลองกระโรถบ้านเนี่ยใส่เซ็กเอโค่ไปเนี่้วนม่นมีเหลยมีแก่ยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่จะโทษคําสั่งสอนอันเป็นพาสิทธิของสาวกรุ่นใหม่เป็นเรื่องนอกแนวแต่งขึ้นมาถ้อยคายําไพเราะสละสลวยเป็นกาบเป็นกรเขาจะสนใจฟังนั่นจัก เป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมัน่นเป็นไปเพื่อความอันตรธานแห่งภาษาตนาความเลือนเลือนแห่งครแห่งวินัยเพราะฉะนั้นเธอจงสังวรระวังจงหลักเสียจงสนใจในเรื่องนี้สนใจได้บัตนี่าสมมติว่าความมั่งนี่มันโบยอยู่ไกลได้เข้าว่ามันอยู่ไกลๆเข้านั่งสมาธิแป๊บหนึ่เอานี่ยดลมหายใจเข้าดูลมหายใจออก ดูคนตันี้มันจะสงบกว่าฉังงหัวมันไม่สงบกว่าฉัางหัวมันมันคิดก็ดูความคิดไปครั้งแรกเราอบรมกายถ้าไม่อบรมกายไม่อบรมสินไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาไม่สามารถรู้จักความบ้างอย่างพวกเรานี่เราอบรมกายกันมาแล้วอบรมศินกันมาแล้วกายของเราก็คือสิ่งจําเป็นแก่กายเรื่องอาหารเราก็ไม่ได้กินมากกินพออยู่ได้วันละครั้งเดียวในภาชนะอันเดียว เครื่องนุ่งห่มล้วก็ไม่ได้หวังความสวยสดงดงามจากนี้หลังจากนั้นที่อยู่อาศัยเราก็อยู่กันง่ายๆกายของเราก็ไม่สู้ผอมมีด้วจะจําใสเบิกบานด้วยซ้าไม่ใช่ว่าฝึกกายให้กล้ามเป็นมันมัดอันกายนั้นฝึกให้กิเลสอ้วนเติบขนมาแล้ววิ่งให้กล้ามมันเป็นมันมัดฝึกกายอบรมกายพาวิตกกายพัฒนากายให้กายพอเหมาะที่จะฝึกจิต ตั้งอยู่ได้ฝึกท่านั่งฝึกอิริยาบถในเ้างฝึกกายฝึกศีลอบอลงศีลการเป็นโยนกับหมู่กับคันนะเคารพพระธรรมวินัยการเป็นโยด้วยกันอย่างสามัญญตาสม่ำเสมออยู่กันสี่สิบห้าสิบหกสิบอยู่กันเป็นร้อยมันก็ไม่ทะเลาะ ก, กถ้าเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยลักอรนนี้อยู่กันไม่กี่องค์ทะเลาะ ก, กัน สองห้งสา ง, งทะเลาะ ก, กันแต่พวกเราอยู่กันมากๆในสินนี่หอห้องเหมือนลูกพ่อแม่เดียกันแม่ทะเลาะ ก, กันทีนี้ก็มาถึงขั้นอบรมจิตอบรมกายอบรมสินภายนอกได้แล้วก็มาอบรมจิตท่านที่มาบวชใหม่ๆนี่เลยเห็นผ้าเก่านั่งหลับท่านเคยคิดว่าจะเหึงได้กูสิหลับเป็นข้บวชใหม่นั่งไม่หลับแต่เดี๋นี้ทําไมนั่งหลับเป็น นั่นคืออบรมกายอบรมศีลพอมาสู่อบรมกายอบรมศีลกายกับศีล น, นี่สามคีกันอบรมภายนอกได้ดีแล้วก็มาอบรมจิตพอจิตร่มสงบไม่รู้จักกังวลอะไรมันก็หลับพอมันหลับแล้วจะดีมันหยุดเราไม่อบรมต่อไปไม่มีทางที่จะแก้ไขอันนี้เมื่ออบรมปัญญา จิตก็สุดอยู่เหี่ยงแค่นี้ไม่ก้าวหนะ้าปัญหาใหญ่ของจิตคือม่วงเนื้อเานอนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาดเกิดกำหนัดราคะใคลอยู่กับกามไม่พอใจในความเป็นอยู่ไม่พอใจกับหมู่คณะไม่พอใจอะไรทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นโรคของจิตต็ว่าเจตสิกโโคโรคของจิ ต, อจตทอ่าไรจะแก้มุ่งนี้ได้ไ มนมุษย์่ทาจะแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าเทวานาิฉันติปุริสปรก า, ามสะเทวดาก็อั้นไม่ได้พระเจ้าก็อั้นไม่ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามอย่างนี้ให้เทวดามาสิงให้หลับก็ยังกั้นไม่ได้ถ้าจะพัฒนาโมขัฒนาเลยนอฟังกระเซิ้มีแตเสืดายนอนถ้าอย่าง น, นีง้จ้างกระบ่งจากสิ่งที่เรียกว่าว่าง ความว่าไม่รู้หรอกเพราะว่าไม่ยอมพัฒนาเลยยอมแพ้ไซคลิกซเลนเดอร์ขึ้นมาไม่ใช่ไปง่วงยิงกระโดเดเยยเอยแตให้มันหลับซ้ำก็ไปยุ่ยมันหลับเติมเข้ามาเองไม่ได้พัฒนาจิตเลยสักน้อยนึง่งทื่ว่าพาวิตรจิตอารมจิตแล้วมาอารมปัญญาจิตนี่มันเป็นขั้นเป็นตอนพออารมณ์ทีมันสงบแล้วอารมให้มันแจ่มใสประโมทยังจิตตังไงมาขั้นที่จิต ในอนาปานสติกขึ้นจากจิตตะสังขารหลังปฏิสังเวทีะสมประยังจิตตะสังขารหลังหลังจากนั้นเราก็ขึ้นจิตตะสังขารหลังรู้พร้อมเขาะจิตด้ยนี่จิตเป็นยังไงเป็นเครื่องมือฝึกอย่างดีมันม่วงในขันมันไม่จะไปต่อสู่แบบการแข่งรพฟันใสเอาความม่วงมาเป็นเครื่องมือฝึกตัเอง s u b j ได้การบันิเสษได้ลุยความมุ่งดิฝรังเขามายู่เมืองไทมาบวชบดป่านานาชาติเมืองอุบลฝรังมาเห็นมึง น, นั่งหลับเหมือนกันฝรังนั่งหลับเป็นแล้วเพราะมาฝรังก็เก่งกว่านั่นเองฉลาดต้องได้ต้องมึงสุดอย่างละเอียดอีกแล้วแต่ก่อนฝึกนี้นั่งได้นานเห็นคนไทยนั่งได้เก่งๆเราจะตายฝึก อาไปมาเราก็นั่งได้แต่ก่อนฝรั่ ง, งมัอปวดปับ๊บนั่งก็ลําบากปวดแข้งปวดขาคนไทนั่งหลับใช้เสร็จแล้วพอถึงช่วนี้ฝรังนั่งหลับเป็นแข้งหาไม่ปวดแล้วที่นี้ฝลั่งมันไม่หยุดเพียนแค่นั้นหมอกได้การท่านอาจารย์โรเบอร์สเมโธให้บอกได้การเอาความหลับนี่เลยมาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองต่อไปเนี่ยที่นี่วิธีมันหลับเนี่ย แล้วอบรมจิตขั้นตอนต่อไปที่าวา่ารู้แจ้งเฉพาะจิตจิตเป็นอย่างไรจิตสลดหดหูเศร้าหมองแกมไสเบิกบานจิตมึ่งเมาหงนอนอ่อนแอ ร, รู้จักมันรู้จะเข้าไปในตัวมันดังนั้นย้อนเขินมาสู่ตัวผู้รู้มันพอมาเห็นตัวผู้รู้ในพวกนั้นหลดตัวผู้รู้นี่ว่างแต่นี่พวกคนณได้ยินเสียงนกร็ระวรองเพราะคุณไม่ได้ตั้งใจฟัง ผู้รู้เขารูกเขาเองวิญญาณใธาตุออกมาทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณพระพุทธเจ้าเปรียบวิญญาณเหมือนไฟไฟไม่ไม้ญ่าก็เรียกว่าไฟเกิดจากยา่าแต่ไฟไม่มขี้งัวโคไหมก็เรียกว่าไฟเกิดจากโคลไหมคือขี้งัวเหมือนวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตะวิญญาณในยิ น, นเกิดทางตาตาเห็น รู้ทางตาวิญญาณตัวรู้จริงๆมันอยู่ที่ไหนลากพลึกของมันวิญญาณธาตุตัวนี้เป็นตัวผู้รู้ไม่ได้ตั้งใจฟังนะเสียงนกกระบอกเนี่ยเขารู้เขาเองเราเราลองย้อนไปย้อนจิตย้อนสติขึ้นมาดูตัวผู้รู้ตัวผู้รู้เนี่ยเขาว่างๆเขาว่างๆไม่ยังไม่มีอะไรเข้าไปเขารู้แล้วก็เสร็จไปอย่างเราดูลมหายใจที่เนี่ย คุณดูลมหายใจไปถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรคุณหลับตาดูอยู่อย่างนี้หรืออุ้ตาดูนั่นเข้ามันติดกันละจิตกับลมหายใจติดกันทําอะไรมันก็ติดอย่างผมสวดมนต์ไม่ทันพวกท่านราะว่าเวลาผมพูจบหายใจเข้าเนี่ยจิตมันต้องไม่คอยรู้ลมหายใจอีกทีหนึ่งเนี่ยผมมันเหนยเราไม่ตามพวกท่านอันนี้เรียกว่าสัญญาอีกอันอาณาปานสัญญาซึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าในสัญญาสุท อาณาปณสัญญานีไม่ต้องกลัวเจ็บไข้ได้ป่วยแม้แต่ตายสามารถจะรู้วาระที่ตายได้ขอให้สัญญาความสำคัญมั่นหมายรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทีนี้พอเราดูอยู่เนี่ยมันมันมันรู้กันอยู่แล้วชี น, นี้แเราก็รู้ฝาาลมเข้าไปข้ามลมหายใจเข้าไปวผู้รู้ลมหายใจเข้าใจาออกเนี่ยมันอยู่ที่ไหน ในนี้เรากำหนดรู้พอมันรู้มันติดแล้วข้ามไปรู้ตัวคู่รู้ว่าลมณหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะรู้ว่าโอ้ธรรมชาติอันนี้สันตาปณีตาธรรมชาติอันนี้ปานีตละหนับสนงบละเอียดว่าเขาไม่มีตัวตนเข้าไปตั้งใจรู้แต่เขารู้เองตรง น, นี้เรียกว่าสุญญาตาสมนุ ป, ปัสติเห็นความว่างแล้ว มองเห็นความว่างแล้วมันอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นจึงสัญญาตาภาวะการติโหติก้าวลงสู่ความว่างเทีนี้เราไม่ได้ดูลมเราไม่ได้ดูความคิดเลยเราดูแต่ผู้รู้ว่างๆว่างอยู่กับผู้รู้รู้อยู่กับความว่างว่างอยู่กับความรู้รู้ยกับความว่างองรุ่นล่งไม่หมดเลยตามมารมณ์ไม่มีเวลาที่จะโผล่ขึ้นมากับท่านถ้าท่านรู้อย่างนี้นะ พอมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคืนรู้หูรู้รู้อยู่กับอาการบ่างว่างว่างเล้นพวกนั้นหมดกําลังตัวเองไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นอะไรก็ตามแม้ตรงนี้ละเอียดมากเลยผมไม่รู้จะพูดจังไรแต่ต้องพูดพูดจนไม่อยากฟังก็จะได้เห็นเอ้าวเ น, นี่มันสว่างแล้วสว่างหกโมงพอดีผมจะเดินทางไกลวันนี้มีงานแล้วจะต้องกลับมาให้ทา ง, งานศพเขา ความเจริญนอกงามในศาสนาในศิลนธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัดทุกรุทุกองทุกขันทุกคนเถิด